ธรรมบทแปลเรื่องที่134เรื่องพระกาลเถระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพระกาลเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยศาสนังเป็นต้นตอนพระเถระไม่ให้อุปถายิกาไปฟังธรรม ดั้งได้สดับมาหญิงคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีตั้งอยู่ในที่แห่งมารดาทำนุบบำรุงพระเถระนั้นอยู่พวกคนในเรือนแห่งผู้คุ้นเคยของหญิงนั้นฟังธรรมในสํานักพระศาสดาแล้วกลับมาเรือนแล้วสรรเสริญอยู่ว่าแม้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัศจรรย์แม้พระธรรมมเทศนาก็ไพเราะ หญิงนั้นฟังถ้อยคำของคนพวกนั้นแล้วจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าข้าดิฉันอยากจะฟังพระธรรมเทศนาของพระสัสดาบ้างเธอห้ามเขาว่าอย่าไปที่นั่นเลยหญิงนั้นในวันรุ่งขึ้นก็ขออีกแม้อันพระกาละนั้นห้ามอยู่ถึงสามครั้งก็ยังอยากจะฟังอยู่นั่นแล มีคำถามสอดเข้ามาว่าก็เหตุเไหนเธอจึงได้ห้ามเขาเสียแก่ว่าได้ยินว่าเธอได้มีความเห็นเช่นนี้ว่าอุบาสิกานี้ได้ฟังทำในสำนักพระศาสดาแล้วจักแตกจากเราเหตุนั้นเธอจึงห้ามเขาเสียวันหนึ่งอีกนั้นบริโภคอาหารเสร็จสมาทานอุโบสถแล้ว สร้างบุตรีไว้ว่าแม่เจ้าจงอังฆาาพระผู้เป็นเจ้าให้ดีแล้วได้ไปวิหารแต่เช้าเที่ยวฝ่ายบุตรีของเขาก็อังฆาาพระกาละโดยเรียบร้อยในการเธอมาถึงเธอถามว่าอุบาสิกาผู้ใหญ่ไปไหนนางตอบว่าไปวิหารเพื่อฟังธรรมเธอพอได้ฟังข่าวนั้น ทุรนทุราอยู่เพราะความกลัดกลุ่มอันตั้งขึ้นในท้องนึกว่าเดี๋ยวนี้อุบาสิกานั้นแตกจากเราแล้วรีบไปเห็นหญิงนั้นฟังธรรมอยู่ในสำนักพระสัสดาจึงทูลพระสัสดาว่าพระเจ้าค่าหญิงคนนี้เขาไม่เข้าใจธรรมกถาอันละเอียดอย่าตรัสธรรมกถาอันละเอียด ซึ่งประดับด้วยสภาวธรรมมีขันเป็นต้นตรัสแต่เพียงทานกระถาหรือศีลกระถาแก่เขาก็พอตอนสการะย่อมฆ่าคนถอยพระศา ส, สดาทรงทราบอัจฉริยของเธอแล้วตรัสว่าเธอเป็นคนปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้า ห้ามปรามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเธอพยายามเพื่อฆ่าตนเองแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าโยซาสนังอรหตังอริยนังธรรมจีวินังปติโกสติดุมเมโธติดทิ้งนิสายะป้าปิกังบุคคลใดปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้า คัดค้านคำสั่งสอนของพระอริยบุคคลผู้อรหันต์มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมบุคคลนั้นย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนเหมือนขุยแหงไม้ไผ่ตอนแกะอัดความแห่งพระคาถานั้นว่าบุคคลใดปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรางพวกคนผู้กล่าวอยู่ว่า จากฟังธรรมก็ดีว่าจากถวายทานก็ดีเพราะกลัวแต่เสื่อมสการะของตนชื่อว่าโต้แย้งคำสั่งสอนของพระอริยบุคคลผู้อรหันต์มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมคือพระพุทธเจ้าการโต้แย้งและทิฏฐิอันเหลวซามนั้นของบุคคลนั้นย่อมเป็นเหมือนขุยของไม้มีหนามกล่าวคือไม้ไผ่ เหตุนั้นไม้ไผ่เมื่อตกขุยย่อมตกเพื่อฆ่าตนเท่านั้นฉันใดแม้บุคคลนั้นก็ย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนคือว่าเกิดมาเพื่อผลานตนเองฉันนั้นสมจริงแม้คาถาประพันธ์นี้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ว่าพระลังเวกระดลิงขั่นติพระลังเวลุงพระลังนลัง ส ก, การกาปุริสังหันติครับโพอสตตริงย่าผล น, นั้นแลย่อมฆ่าต้นกล้วยเสียผล น, นั้นแลย่อมฆ่าไม้ไผ่เสียผล น, นั้นแลย่อมฆ่าไม้อ้อเสียลูกในท้องย่อมฆ่าแม่ม้าอสดรเสียฉันใดสา ก, การะก็ย่อมฆ่าบุรุษถอยเสียฉันนั้น ในเวลาจบเทสนาอุบาสิกาตั้งอยู่ในโสดาปติผลเทสนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องพระกาละเถระจบ